ขอความเจริญในธรรมจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพธิยานได้นำเสนอเรื่องภาวนาประทานคือการเพียรพยายามให้กุศลบางเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ได้ยกตัวอย่างกุศลบางข้อมาโดยลำดับเมื่อถึงจุดนี้เห็นควรจะโดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้า นั่นคือมองไปที่บารมีสามสิบทัศหรือบารมีสิบก็ในระดับที่เราเรียกว่าเป็นบารมีธรรมดาแต่ว่าในการอธิบายขยายความก็คงพูดระดับขั้งสามของบารมีตามนัยยะที่ท่านได้อธิบายชีย้แจงเอาไว้ ประเด็นแรกที่น่าจะมาทำความเข้าใจกันก็คือคำว่าบารมีนี่แปลว่า อ, อะไรท่านถามว่าบารมีทั้งหลายคืออะไรก็คือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นที่พระมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ท่านค้นหาด้วยความเป็นผู้ฉลาดในวายแ่งกรุณา แล้วสามารถลดตัณหามาณทิฐิลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปแล้วเพราะนั้นคำว่าบา ร, รมีจึงแปล ว, ว่าคุณธรรมมีฐานเป็นต้นที่ให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานจะเป็นการแสดงในรูปของการสุดยอดอย่างที่ท่านใช้คำว่าผู้เจ้าทรงแสดงธรรมมีพระอาหารหันต์เป็นยอด แต่ในความเป็นบา ร, รมีนั่นเองมันก็มีการลดหลั่นกันขึ้นไปแล้วถ้าเรามองดูให้ดีก็จะพบว่าบา ร, รมีนั้นก็คือเครื่องมือที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลกกฎลงซึ่งหมายความว่ากา ร, รบาเพ็ญบารมีในแต่ละข้อนั้นปริมาณของบา ร, รมีที่เพิ่มพูนขึ้นมันจะทำห น, น้าที่กระจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตน แล้วก็สิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งซึ่งส่งเงินข้ามกับตนตาลักษณะของกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งมีคล้ายๆกับแสงสว่างด้ยวยความเย็นคือมันจะส่งแสงสว่างมากในจุดที่แสงมันส่องไปแต่เราจะเห็นว่ารัศมีของแสงสว่างนั้นก็จะกระจายออกไป แม้จะไม่สว่างเต็มที่มันก็จางลงไปก็เรียกว่าสีเทาๆก็สามารถจะมองเห็นอะไรได้พอสมควรในคำพีอภิธรรมมัตสังกหะเนี่ยก็มีดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้านำบารมีธรรมแต่ละข้อเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็แยกเป็นลักษณะคิดรถปัจจุประทาน กนในที่นี้ก็คงมองผ่านตรงนั้นแต่ว่าไม่ควรจะไปติดใจในรายละเอียดมากเกินไปนะต่เป็นการมองโดยพื้นฐานที่เรียกว่าอยู่ในวิสัยที่สามัญชนสามารถปฏิบัติได้เพราลักษณะของบารมีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมองโลกที่เป็นพื้นฐาน เพื่อ เ, เห็นว่าในโลกเราถ้าหากว่ามนุษย์มองกันโดยความเป็นมิตรเนี่ยมีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อกันอย่างเดียวเท่านั้นเองเและกระบวนการกุศลในรูปลักษณ์อย่างอื่นมันจะเกิดขึ้นอีกเป็นอันใดกันนั้นแต่เรามองสถานการณ์จำลองง่ายๆนะฮะคล้ายๆกับความรักกันภายในครอบครัวความรักกันชันญาติเนี่ย และจากนั้นมันจะมีการกระทาที่เป็นการรุกรากเกื้อกูลขยายออกไปโดยลำดำับจะนับหนึ่งสองไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอนเนกแต่มันไปนเชื่อมโยงกับความรู้สึกรักเคารพนับถือตามสุวนรณแกฐา น, นาของบุคคลตัวนั้นที่เกี่ยวข้องกับเราควาลักษณะของบารมีเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วย จิตที่คิดอนุเคราะห์บุคคลอื่นแม้แต่ที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ของเราที่ท่านแสดงว่าการบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนจะสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นที่จริงท่านก็เป็นสามัญชนคนหนึ่งแต่ว่าในอดีตกาลนานไกลนั้นโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านเล่าไว้ว่า มันเกิดขึ้นจากการที่ท่านเป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็เป็นลูกของแม่คนเดียวลูกคนเดียวของแม่นะฮะแล้วก็พ่อก็ตายคนตัวเองก็ยังหนุ่มก็เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูแม่คนตัวเองต่อมาก็ได้โดยสารเรือไปในมหาสมุทรแล้วเรือก็โดนพายุแรงแล้วเรือแตก ตัวเองก็แบกมันดาเนี่ยแหวกไหวไปในกระแสมหาสมุทรซึ่งไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะคือแบกคนไปคนเดียวประคองคนไปคนเดียวเนี่ยตัวเองก็ไาวแวกน้ำไปเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มองเพื่อนที่ร่วมโดยสารมาในเรือไม่ค่อยจมลงไปจมลงไปเรียกร้องขอช่วยเหลือท่านก็อยากจะช่วยสุดๆนะนะแต่ไม่รู้จะทายัางไง มันก็เกิดความคิดขึ้นมาเมื่อท่านไหว้ทั้งฝั่งไปแล้วเนี่ยก็เมื่อส่งแม่แล้วก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ท่านช่วยได้แต่ก็แรงคนคนเดียวนะฮะจะช่วยอะไรได้มากนักหนาแล้วก็มองเห็นชีวิตเพื่อจริงๆเนี่ยมนุษย์มันมาจากเกิดหรือถ้าไม่เกิดเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันไม่มีหรอก เป็นการมองสืบสาวยาวเหยียดไปถึงที่มาของชีวิตเพะะนันจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าในชีวิตของท่านเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามที่จะช่วยเหลือคนให้รอดพ้นจากสังสารทุกข์คือจากการเว้นว่ายตายเกิดโดยท่านเองจะพยายามช่วยตัวเองให้ข้ามสังสารทุกข์ได้ก่อน หละจากนั้นก็จะช่วยบุคคลอื่นให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์ไปกุศลและเจตนาตรงนี้มันเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติแต่มีความเข้มข้นประณีตมากยิ่งขึ้นจนสร้างบา ร, รมีธรรมเพื่อ ม, มุ่งไปสู่ผลสูงสุดเหล่านั้นโดยเฉพาะเพราะการช่วยในระดับอื่นที่จริงมันเป็นการช่วยเหมือนกับเกาเกาที่ขัน มันก็หายคันระยะสั้นๆแล้วต่อไปมันก็คันอีกเพราะเหตุได้คันมันยังมีอยู่แต่ถ้าช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏไปเลยคือไม่ต้องเวียนวายตายเกิดเลยเนี่ยมันก็พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะจึงมุ่งไปสู่ปาลังที่เราแปลว่าฟังนะก็คือพรนิพพานพราะาบารมีเนี่ยถ้าเราเรียกจริงๆก็คือมันมาจาก บาลังที่แปลวานิพานแล้วก็มัคคิธาต์ในความไปลงนีปัจจัยลบณนะลบที่สุดของธาตุก็เป็นบารมีก็แปลว่าคุณธรรมมีมีทานเป็นต้นที่เป็นเหตุให้บุคคลถึงฝั่งคือปณิพานเราอาจจะพูดง่ายๆว่าการเก็บการสะสมความดีเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจก็ได้ พ้นจิตเนี่ยมันมีความอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นอยากจะช่วยให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์จริงๆเลยคือหลุดพ้นจากการเวทวายตายเกิดเพราะว่าในแง่ของพระอราหันต์ทั้งหลายเนยคือท่านมองทุกไม่ได้มองเหมือนเราเนะเวลาท่านประสบปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแล้วท่านจะบอกว่าเป็นโทษของวัฏฏะ คือหมายความมาถ้าท่านไม่เบียนว่าใเกิดเนี่ยท่านท่านไม่ต้องเจอปัญหาเหล่านี้หรอกแล้วก็จะไม่มีการโทษใครใครไปประทุษร้ายเบียดเบียนบางทีทำจนท่านตาบอดก็มีนะแต่ท่านก็ไม่ถือสาความก็ถือว่ามันเป็นโทษของวัตถะเพราะาโลกัาน์อย่างนี้เป็นการมองที่เรียกว่าเป็นกระบวนการของปัจกัยาการทั้งหลาย ดังนั้นโดยพื้นฐานจิตของมนุษย์เนี่ยถ้ายังมีลักษณะแข็งกร้าวรุนแรงก้าวร้าวแล้วก็ยากที่จะสร้างบา ร, รมีขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะมองในวงแคบๆ ค, คือคิดถึงตัวเองครอบครัวไม่มีน้ำใจเอื้ออาทรวงใยต่อบุคคลอื่นมันก็อาจจะทำความดีได้ระดับหนึ่งแต่ว่า ความดีนั่นจะไม่กระจายออกไปท่านบอกว่ามีการเอาเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะทีนี้มันไม่จะอยู่ภายใน ใ, ใจเฉยๆมันก็ต้องมีการกระทาที่เป็นอุปการะต่อคนอื่นเช่นจะให้เนี่ยจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้เท่าไหร่ให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไร หมายความคนที่สร้างบารมีจะไม่สงเคราะห์ในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรคือบางคราวเพื่อนก็ขาดแคลนเรื่องหนึ่งแล้วเราไปสงเคราะห์อีกเรื่องหนึงน่งเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ปณิจัยที่คิดอนุเคราะห์เนี่ยไม่เป็นใจที่มองคนด้วยความเมตตากรุณาแล้วมองวัตถุสิ่งของด้วยความไม่เสียดายหรือไม่สนีท และมองเห็นคุณค่าของฐานะบารมีเป็นต้นที่ตนได้กระทำลงไปวันที่เราศึกษาปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ในพบชาติต่างๆในชาดกทั้งหลายนะคือจะมีการอธิษฐานเพื่อให้ได้รับผลเป็นการทำพระองค์ให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์เพื่อจะย้อนกลับมาช่วยบุคคลอื่นให้พ้นจากสังสารทุกข์ไอแนวความคิดมันก็แนวอย่างเงี้ยหมายความว่าสรงแม่ขึ้นฝั่ง แล้วยังเห็นคนอื่นแหวกว่ายอยู่ในกระแสน้ําตัวเองก็มีเรียวแรงพอที่จะช่วยไหวอยู่เลยก็ย้อนกลับเข้าไปสู่พ่วงทะเลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วยนําคนเข้าฝั่งก็นําได้ทีละคนแล้วนําได้ไม่กี่คนตัวเองก็ต้องหมดแรงเป็นธรรมดานะฮะเพราะว่าการว่ายน้ําไม่ใช่ว่าว่ายได้ทนเท่าไรอะไรนักนา แต่นั่นก็คือกุศลเจตนาที่เรียกว่ามีการกระทําอุปการะต่อผู้อื่นเนี่ยเป็นตัวเป็นจิตคือเป็นหน้าที่ที่พิสูจน์ทดสอบว่าเรามีน้ําใจคิดอนุเคราะห์คนอื่นจริงๆว่าที่จริงๆมันก็ยันกันไปยังกันมานะฮะหมายความว่าคนที่มีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อบุคคลอื่นนั้นจะต้องประพฤติกระทําที่เป็นอุปการคุณต่อบุคคลอื่นการที่ก็ทําเช่นนั้น แน่นอนมันอาจจะเป็นเล่นเหลี่ยมอาจจะเป็นมายาเสียแซงหรือว่าอ่อยเหยื่ออะไรก็ได้นะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นบารมีมันถ้าเป็นบารมีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากจิตที่คิดอนุเคราะห์เขาและเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เขาต้องการจะมีส่วนแบ่งต้องการจะบรรเทาต้องการจให้เขาทุกน้อยลงจนถึงหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่เอาก็จริงมันก็ทาได้ให้ลดลงไปโดยลาดับนะครับเพราะว่าการสอนธรรมะไม่ใช่เรื่องของการดุดบันดาลแต่เป็นเรื่องที่คนจะต้องใช้ความเพียรพยายามในตัวเขาเองพระเจ้าก็ทรงทาหน้าที่เป็นผู้ชี้บอกประสงค์เองที่สื่อประยุพระพุทธศาสนามาก็ทำได้เพียงเท่านั้นคือทาหน้าที่เพียงชี้บอกแต่นั้นเด็ แล้วในขณะที่ทําเนี่ยตามปกติแล้วคนจิตใจจะหวั่นไหวจะเสียดายนะฮะจะเสียดายเช่นว่าตัดสินใจจะให้ทานสักครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ชักกระเยาะเกิดอยู่ภายในใจก็ทําไม่ได้มันเกิดความสนีเกิดความเสียดายเกิดความหวงแหนขึ้นมาหรือว่าไม่ชอบใจไม่พอใจในคนเหล่านั้นก็ทําให้ตัวเองให้ไม่ได้ดังนั้นใน โดยสภาพจิตเนี่ยจึงมันก็เรียกว่าสอดคล้องกันคือยันกลับไปกลับมาได้นะคล้ายๆกับเรามองปลายไม้ว่าเป็นผลมะม่วงเนี่ยเรามองมาถึงรากไปยังเป็นมะม่วงเป็นรากมะม่วงอยู่มองตรงกลางก็เป็นกิ่งเป็นต้นของมะม่วงเพราะใ น, นลักษณะของกุศลเนี่ยก็จะยันกันไปยันกันมาอย่างเงี้ในความม า, ารที่จิตคิดอนุเคราะห์ก็ต้องแสดงให้เห็น โดยการพูดโดยการกระทาที่เป็นอุปกรณุต่อบุคคลอื่นและในขณะที่ทํานั้นอาจจะไม่มีการตอบแทนอาจจะไม่มีการยกย่องสรรเสริญชื่นชมการกระทาของตนแต่ว่าใจก็ไม่หวั่นไหวภารกิจของคนทําความดีก็คือทําความดีแต่นั่นเองส่วนจะเกิดผลคนจะยกย่องหรือไม่ยกย่องมันไม่ใช่ประเด็นเกิดแต่เราเ้าใจในกฎของกรรมแล้วเนี่ย เช่นเราทำความดีคนยกย่องเราก็ดีเท่าที่ดีคนํำหนิเราก็ดีเท่าที่ดีดดมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรแต่ว่าการที่คนมองความดีของคนดีว่าเป็นการกระทำดีมันเป็นการขาจัดความริษยาของบุคคลเราด้า น, นออกไปก็เป็นบุญแนวแน ว, แน ว, แนวที่เรียกว่าอันโมตตานมโมธนาหรืออนโมธนาใหม่ อนุโมทนาบุญก็ปฏิฐานใหม่ก็ได้นะฮะอัตานุโมทนาใหม่ก็ได้ก็แล้วแต่คือทําใจชื่นชมในการกระทําความดีของบุคคลอื่นแต่ถ้าทําไม่ได้ก็หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่จริงใจประกอบกับมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เราเข้าใจยากอยู่เพราะว่าคิดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งได้ ในเกสีสรารถีที่ฝึกมาเนี่ยเคยกราบทูลพระพุทธเจ้าวา่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันตรงแต่คนเนี่ยมันคดเพราะบางทีแกยิ้มอยู่เนี่ยไม่รู้แกคิดยังไงเราไม่รู้เพราะในสิ่งเหล่านี้จึงต้องยันกันได้แต่ยันกันได้เนี่ยเคยพูดกับเคยเคยสนทนาทำไมตอนนั้นบวชใหม่ๆนะ เปสนทนากับนักเผยแผ่ศาสนารู้สึกว่าคริสเตียนนะโปรเตสแตนต์ก็นั่งกันบนรถไฟก็คุยกันเขาก็เล่าพยายามที่จะโฆษณาประจาสัมพันธ์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเราก็นั่งฟังเฉยๆตอนนั้นก็บวดได้แค่สามภาษาท่นเองแล้วก็ถามข้อที่จริงถามเยอะนะฮะคิด ว, ว่ามันขบกันเอง ฉันบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งแล้วก็พระเจ้านั้นรักสรรพสัตว์เสมอเหมือนกันหมดไม่มียกเว้นพระเจ้าเองเป็นสรรพันญุอยู่ไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทีเราก็ตั้งปัญหาถามว่าในเมื่อพระเจ้ารักมนุษย์บุตรพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็พระผู้เจ้านั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ปัญหาที่น่าจะต้องตอบไปได้ก็คือว่าทำไมพระเจ้าสร้างเชื้อโรคมาทำไมพระเจ้าสร้างภูเขาไฟให้เราเบิดขึ้นมาทำไมสร้างโรคมะเร็งขึ้นมาเราก็ อ, อธิบายไปเยอะนะฮะแล้วจนถึงไ้ยุงคือประเด็นเดียวยี่แกไม่ตอบแกตอบประเด็นเดียวคือประเด็นยุงแกบอกว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่สร้างยุงขึ้นมาเนี่ยหมอก็ คนไม่พบเชื้อมาลเรียเดียก็บอกว่านาก็ต้องสับสนแล้วแตรงนี้ก็แสดงว่าเชื้อมาลเรียพระเจ้าก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยแล้วทาไมพระเจ้าสร้างขึ้นมาทําไมเนว่าพระเจ้ารักมนุษย์บุตรพระผู้เป็นเจ้าทีนี้ถ้าพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าไม่รู้ว่ายุงเนี่ยมันจะเป็นอันตรายแก่โลกหรือเชื้อโรคจะเป็นอันตรายแก่ชาวโลกบุตรมนุษย์เนี่ยก็แสดงว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้ ก็ไม่ใช่สัรพยูจริงแต่ถ้ารู้แล้วยังสร้างก็แสดงพระเจ้าไม่เมตตากรุณาให้เราตั้งใจมันขบกันนานๆนะนะคือคือเราก็พูดตีเล่นที่จริงอ่คือเนี่ยปัญหาธรรมะเนี่ยเราไม่ได้มองอะไรเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแนวการมองของไทยของแบบพุทธจริงๆนะเขาเรียกมองแบบปัจจัยการ อย่างคติไทยที่บอกว่าดูดูหางดูนางดูแม่ดูไอแน่ดูทั้งยายเห็นไหมมันมองกระบวนการว่าย้อนกลับไปกลับมาได้หรือว่าจะมองที่ยายแล้วก็เล็งไปที่หลานก็ได้มองที่หลานนี่สาวกลับไปหาที่ยายก็ได้เพราะมันก็ถ่ายทอดอุปนิสัยใจคอซึ่งกันและกันอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรหรือที่ท่านพูดว่าดูวัดดูฐานในดูสมภารในดูลวดอะไรตัวเนี้ย แล้วเจนว่าบางทีเราดูที่ฐานคือส้วมของพระเนี่ยนะห้องน้ําคือถ้าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่สกปรกรบรุงรังเนี่ยสแสดงว่าใช้ได้วัดนี้อยู่ในศีลาจารักเร่งศีลเคร่งธรรมเคร่งวินยัยเราพบลูกวัดวัดใดวัดหนึ่งมีความประพฤติเรียบร้อยมีศีลาจารักน่าเคารพนับถือเราก็มองไปที่สมผานได้โดยไม่จําเป็นจะต้องรู้จักสมผาน เพราะในการยันกันในกรณีเหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่าที่ท่านแยกให้เ ด, ดูเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกิจเป็นรสเป็นปัจจุบฐานเนี่ยเขื่อเห็นว่ามันมันโยกกลับไปกลับมาแล้วต้องยันกันได้ทั้งหมดอย่างมองต้นมะม่วงต้นหนึ่งอย่างที่กล่าวไว้ในตอนตอน้ตนว่าทุกตั้งแต่รากถึงถึงปลายเนี่ยมันเป็นมะม่วงมันจะไปขัดแย้งกันไม่ได้หรอกเมื่อกุศลก็จากต่หัวถึงหางแล้วมันเป็นกุศลทั้งนั้นแหละ พจนการที่จิตใจไม่หวั่นไหวนั้นแสดงถึงพลังของศรัท ธ, ธาแสดงถึงพลังของความเชื่อมั่นแสดงถึงการยินดีในกุศลแสดงถึงบารมีธรรมเนี่ยมันมีกำลังมากพอที่จะต้านทานกระแสของกิเลสเอาไว้แล้วก็แสดงออกด้วยการสแสวงหาประโยชน์คื่คูณแก่คนทั้งหลายให้เป็นผลปรากฏหมายความมันจะให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้ เทอะไรจะให้โดยวิธีใดให้ไปแล้วก็ได้รับประโยชน์อะไรคือมองไปที่ประโยชน์เขาเพราะในโครงสร้างเหล่านี้เราจะเห็นว่าอย่างเวลาถวายสังฆทานอะไรนะฮะท่านความจะสังเกตว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีคําว่าอาัมมากังทีกระตังหิตายาสุขายะ่ทําทอะไรก็จะลงตรงนั้นนะฮะหมายความว่าไอการกระทําตรงนั้นแหละขอให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีลักษณะคือคูณและอํานวยความสุขให้ แก่คนที่เราต้องการในก็ได้รับความสุขจะเราให้ทานเนี่ยทานก็เกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้นแต่ผลต้องการให้ทานนั้นให้เกื้อกูลแก่ตนแล้วก็ญาติพี่น้องก็หมายความมาเกิดประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีความสุขใจมีความภูมิใจมีความกระตือร้อนที่จะได้บําเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลาย มันคล้ายๆกับพร ะ, ระพเราไปเทศไปสอนนะนะมันก็เดินตรอยเดินตามรอยบาทรพระพุทธเจ้าไปเราเทศสักสิบครั้งหนึ่งนะมีคนเป็นคนดีได้หนึ่งคนเราก็สุขใจแล้วเราได้โดยเสด็จรอยญคนบาทรพระพุทธเจ้าถ้ายัางไม่พอเราก็พยายามต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทําหน้าที่แล้ว อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นประโยชน์ที่ไปรอบมากเนะก่อนจะไปนิพพานตอนปรงประุนมายุสังขารใหม่ๆรับสั่งว่ากิจใดที่าศาสดาผู้เอนดูจะพึงทำต่อเธอทั้งหลายผู้สาวกตถาคตได้ทำแล้วแต่สาวกได้รับประโยชน์ไอ้ถ้าเทียมกันไหมมันก็ไม่หรอกมันอยู่ที่พื้นฐานวาสนาบารมีของท่านเหล่านั้นแต่ภารากิจ ที่เราจะต้องทำคล้ายๆกับเราเป็นพระเนี่ยพระเจ้าทรงวางภารกิจของพระเอาไว้แล้วแนวเนี่ยคือแนวอนุเคราะห์แนวอุปการะโดยจิตใจที่ไม่หวั่นไหวแล้วก็มุ่งให้เกิดประโยชน์คือคูลแก่บุคคลเห น, น, นั้นตามกรอบงานที่ท่านได้ทําภารกิจอันใดที่ควรทําก็ทําแต่เขาใจรับประโยชน์หรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะ คล้ายกับหมอให้ยาไปแล้วเขาไม่กินก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแต่ถ้ากินนี่ก็เชื่อได้ว่าอาการป่วยก็จะหายจิตใจของบุคคลที่ศึกษาทมปฏิบัติธรรมก็จะมีลักษณะอย่างกันเพราะาการมุ่งไปสู่ประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นให้ลองสังเกตนะว่าเราจะไม่เสียดายในสิ่งที่เร า, เราให้และเราไม่เกลียดในคนที่เราให้ แล้วก็เรามองเห็นคุณค่าของการให้รู้สึกสุขใจภูมิใจประปริมใจที่ได้ให้ได้สงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นและนั่นเราเนี่ยมันเป็นบารมีประกายของบารมีก็คือมันไปลดที่ด้านหนึ่งที่เ็าเรียกอาสวะอาสวะที่จริงก็สะสมหมักสะสมสะสมเหมือนกันไปในใจเรานะฮะแต่สะสมความชั่ว เป็นการเก็บเป็นการสะสมความชั่วเอาไว้ไปในใจแต่บา ร, รมีนั้นจะเก็บสะสมความดีเอาไว้เพราะงั้นในแนวตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีความเป็นพระพุทธเจ้าท่าระดับพระพุทธเจ้านะเป็นผลและมีกรุณาเนี่ยเป็นเหตุการให้เกิดคือจาการมองคนด้วยกรุณ า, าเนี่ยมองยากกว่าเมตานะ ท่านฟังลองสังเกตว่าถ้าเราไม่มีฐานเมตตาโยกอร์เนี่ยใจมันจะเหวี่ยงไปในทางวางเฉยแบบไม่รับรู้อะไรหรือออกมาในรูปของไปซ้ำเติมคือวิิงสาบเบียดเบียนขาวด้านพื้นฐานจิตที่คนจะสามารถสร้างบารมีได้เนี่ยต้องมองคนด้วยความการุณาเพราะอะไรเพราะว่าแนวบารมีมันไม่ใช่แนวเพื่อตัวเองอย่างเดียว แต่เป็นแนวการสร้างสรรพัฒนาประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่จริงสามารถจะเสด็จออกบวชได้ตั้งแต่สมัยเป็นสุเวตมโนรลอโนมคลเป็นรหาหันได้แต่ก็ไม่ยอมบนนมคลลงทุนบำเพ็ญบารมีมาอีกสีอสองไขยกับกไมแสนครับเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกจนกลายเป็นพระพุทธศาสนาอย่างปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้นทัองฟังแต่ แต่ลงมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูุ์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี